ไปพึงพากันตั้งใจสังรวมใจของตนให้ดีเวลานี้รามามุ่งหวังความสงบไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อเรามุ่งความสงบก็ต้องให้ตั้งสติสํารวมใจลงจริงๆอย่าทำเล่น งานอันหดมันเจยากเข้าเงางานฝึกขนจิตไม่มีในโลกนี้นะเนืองงานฝึกขนจิตมันยากกว่าจริงแต่เมื่อฝึกขนได้แล้วมันพ้นทุกมันมีความสุขมากงานอย่างอื่น ทำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์หนักไปข้างหน้าอย่างเช่นงานหาเงินหาทองได้เงินทองมาแล้วแทนที่จะได้ความสบายสม่าเสมอไปเงินไม่เป็นอย่างนั้นได้เงินมาแล้วต้องมารักษากลัวมันจะหมด กลัวมันจะไม่พอใช้กลัวโจรขโมยมาจี้มาพ้นเอากลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าไทยก็พอกันเนั่ยเนี่ยการงานในโลกนะเวลาแสวงหาเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ เวลาที่จะพัดพรากจากมันไปก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในสามการส่วนทุกข์เกิดจากการฝึ ก, กจิตใจนี่เบื้องต้นมันก็เป็นทุกข์จริงอยู่หรอกเมื่อเราฝึ ก, กจิตนี่ให้สงบระงับจากกิเลสป่าพะธรรมลงไปได้เท่าไรมันก็มีความสุขมากเท่านั้น ถ้าเราได้เจริญปัญญาได้พิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงไม่ถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอันนี้ยิ่งมีความสุขหลายอนันทุกข์อยู่นี้เพราะมันยึดถือขันห้านี้แหละใครเป็นผู้ยึดถืออะจิตตรงนี้แหละยึดถือว่ากายเรา ตัวเราอย่างนี้นะผมเราขนเราเล็บเราฝันเราหนังเราอะไรบูนียก็ไปยึดถือของไม่เที่ยงเวลาสิ่งเหล่านี้มันแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่ฝึกจิตไม่หัดให้ปล่อยให้วาง มันก็มีแต่ทุกข์ทีนีโกรงกันข้ามเราฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดทําไม้เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่หยุดทำความเพียนเพ่งพินิษเข้าไปภายใน ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกไอทําความเพียรอย่างนี้มันก็ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยแต่เราก็ต้องสู้อดทนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหานี่เลยหอตัณหามันจูงให้อยากได้อะไรก็ สเสวงหาตามที่มันต้องการก็หมายความว่าตกเป็นทาสของตัณหานนัละคนเรานี่น่ะแ็อย่างนั้นเมื่อวันนี้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากอันไม่มีขอบเขตนี่แล้วก็มาพยายามฝึ ก, กจิตนี่สะกดกจิตนี่ลงไว้ ให้มันสงบนิ่งลงไปแม้มันจะยากลำบากก็อดทนเมื่อทำจิตให้สงบลงได้แล้วนิวรห้าดับแล้วผนก็ปลอดโปร่งเบิกบานนี่ที่นั่นแหละเราจะเห็นผลแห่งการทำความเพียรทางจิตใจว่ามันมีความสุขมากก็เห็นผลด้วยตนเอง เหตฉะนั้นเ่ยอย่าไปเกียดคร้านถ้าเราไม่ทำในชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็ต้องมีความทุกข์ติดตัวไปแล้วก็ต้องได้ทำความเพียรอย่างนี้ถ้าไม่ทำความเพียรทาง จ, จิตใจนี่ก็เป็นอันว่าไม่พ้นทุกสักทีแหละจะเกิดสักกี่ร้อยชาติพันชาติก็ ได้เสวยทุกเวทนาอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงนี้จะมาให้มันเป็นทุกยังไงเล่าได้อย่างหนึง่งเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการอบรมปัญญาไม่เกิดตกเป็นทาตแห่งตัณหาตัณหามกระจูงให้ไปทำบาปรมความชั่วใส่ตัว อันนั้มันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพิจารณาให้มันดีเราอดทนในทางที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่เสียหายอะไรภายหลังมาเราก็ได้ความสุขความเย็นใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ก่อนเมื่อเมื่อความอยากมันลดน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเรามันก็สบายนะคนเรานะมันไม่สบายเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั้นนะ่ะลองสังเกต ด, ดูไอ้ความทุกข์ใจมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างว่าเนะี่ยสภาวอย่างหนึ่งความทุกข์ใจอยากได้สมบัติภายนอก มาใช้สอยสมความปราทะนาวอมทุกใจประการที่สองได้แก่ความไม่รู้เท่ากันห้าตามเป็นจริงเมื่อขันห้านี้วิปัสตรงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยากให้มันหายมเมื่อมันไม่หายตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจ นี่แหละความทุกข์ใจนะถ้าย่นยอ่อเข้ามาแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างแรกนั่นเรียก ว, ว่าการแสวงหาก็เป็นทุกข์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้มาแล้วมารักษาอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เมื่อไม่รักษามันก็หายออมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเห็ุนั้นจึงว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละ พกเมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาจวนจะล่มจะตายเกิดอะไรวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมากมายอยู่ในใจนั่นก็เป็นทุกข์ขั้นสุดท้ายเลยกว่านี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจิตดวงเดียวนี้เมื่อมีความผูกพัน์ อะไรอยู่กับโลกอันนี้เมื่อละโลกเมื่อละจากร่างกายอันนี้ไปแล้วจิตใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันเคยผูกพันมาแต่ก่อนตายนั่นแหละผูกพันอยู่เฉยๆจะทําอะไรก็ไม่ได้มันยังมีทานท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณ เ, เงินกับเงินแท้ๆนี่โลหะธาตุนี่ เอามาทำเป็นเงินน่ะกลัวว่าเงินนี่มันจะสูญจะหายใช้จ่ายก็ไม่ใช้จ่ายหาเอามาใช้เอาเองส่วนที่มีอยู่แล้วนะเอาใส่ใหายปิดพนึกดีๆแล้วก็ไปขุดหลุมฝังไว้เมื่อฝังไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเลย แม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้อย่างนี้นะจิตใจมันก็ผูกพันอยู่นั่นแหละกลัวว่าเขาจะมาลักมาขุดมาค้นเอาเมื่อเป็นเช่นนี้เน่ยเวลาตายลงไปเนี่ยมันก็ใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับหลุมฝังทรัพย์นั่นแหละฝังเงินนั่นเองมันก็ไปเกิดเป็นงูเป็นหนู เป็นตุกแก้อะไรเฝ้าอยู่หัน่นจะไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่เฝ้าไม่คนมาเอาไปเท่านั้นเองนี่ทุกไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งเอากระดูกแนขนคอตองตีแต่งพนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเน่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความส ง, งบอย่าให้จิตนี้มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวค้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้โหกเวียนห่วงใยอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอยู่นั่นแหลหน้าโทเรศหลายเ น, ะนี่ยมีแต่ห่วง เอาไปใช้ไปจ่ายเมืองผีก็ไม่ได้เงินนี่นะมีแต่ห่วงแต่ห่วงว่าเฉยๆไม่เหมือนเป็นมนุษย์ตนเป็นมนุษย์มีเงินมีทองเนี้ยเอาไปใช้จ่ายได้แต่ไปเป็นผีไปแล้วนะมันเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้แลย้ยเพราะเมืองผีไม่มีการค้าขายอะไรมีแต่สวยวิบากกรรมอยู่เฉยๆ ดังนั้นภาวนาให้มันเห็นผู้นี้นับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ควรให้จิตใจมันไปคลองอยู่อย่างนั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าทำตนเป็นคนซื่อๆทำไม่รู้ไม่ชี้อะไร อย่างนี้นี่นาฟาจะว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องฉล า, าดในคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี่ตามความเป็นจริง เพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่กับธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มานับชาติไม่ท่วนแล้วมันถึงได้มาเกิดอยู่อย่างนี้เลยถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันไม่ถือมั่นแล้วมันก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นะไม่ต้องมาเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีก เพราะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานในโลกอันนี้ตายแล้วกอเอาติดตัวไปไม่ได้แต่เวลายังมีชีวิตอยูต่ต้องดิ้นรนสเสวงหาแสนยากแสนลำบากกำผลทนดดแดดแล้วบางทีก็มีศัตรูมาคอยขัดขวาง ทำให้การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สะดวกบางรายก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้ใช้สอยบริโภคสมบัตินั้นเท่าไรนักอันบูรีนะค ว, ควรคนคิดควรพิจารณาลเลาบบ็นชาพุทธนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้า ถ้าไม่ให้ห่วงสิต ท, ทรัพย์สินเงินทองอย่างว่านั้นแล้วจะต้องให้ขนเอาไปทิ้งลงในน้ำหรื อ, อไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นเหรือไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นแต่เพียงว่าทำความรู้เท่าตามเพศตามภูมิของตอนผู้เป็นกระหัดคลองเรือน มีห น, น้าที่แสวงหาเงินทองเข้าของอันนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้อยู่คลองเรือนแต่ว่าอย่าไปทำความทุกข์ใจหนักใจให้ตัวเองนี่นะสำคัญอยู่ตรงนี้เราทำไปทำการทำงานไปแต่ใจเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตนารัย มั่นอยู่ในบุญในกุศลลื่อนเล็งอยู่ในบุญในคุณนี่ไม่ไปลื่อนเล็งอยู่กับสิ่งภายนอกต้องเตือนตนเสมอว่าสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นของใช้ชั่วคราวไม่ได้ติดตามตนไปส่วนทรัพย์ภายในคือบุญและคุณเนี่ยติดตามตนไปทุกแห่งทุกคน เมีฉะนั้นก็ช่วยกำจัดกิเลสบาปรธรรมให้ออกไปจา ก, กจิตใจนี้มันมีคุณภาพต่างกันดังกล่าวมานี่แหละรับภายนอกกับทรับภายในรับภายนอกนั้นเมื่อเรารู้เท่าแล้วเราใช้ใจ่ายมันไป มันก็ไม่เกิดโทษเกิดโทษเกิดทุกข์อะไรสมัยทุกวันนี้เขาไม่ฝังดินแล้วเงินทองเอาไปฝากธนาคารไว้เมื่อฝากธนาคารไว้แล้วก็อย่าส่งใจไปห่วงกับมันเพราะรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันสูญหายไปรัฐบาลก็ต้องใช้ในอย่างนี้ต้องฉลาดเนี่ย นันแหลเมื่อฉลาดแล้วมันก็ไม่กอะไม่ค่้องมีเหมือนไม่มีเลยมีเงินมีทองเข้าคลองอะไรเราผู้ฉลาดก็ต้องให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ก็ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารแลว้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้แต่ก็ซ้อนใจหองตนเข้าอย่างนี้ ใจมันก็ไม่คลองอยู่ในสมบัติภายนอกอันนั้นคลองกับคล่องชั่วคราวคล่องเวลาหาเวลาใช้เวลาใจเมื่อเมื่อไม่มีธุระเจตไถ้ใจแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอันนี้เป็นผู้ฉลาดเหมือนอย่าง อนาถาวินดีกามาเศรษฐีก็ดีหรือวนาวิสาขาก็ดีหรือเศรษฐีอื่นๆในขัง้งกุธการท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ธรรมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นแหละไว้มีเงินมากม า, กายกายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบันเทิงอยู่สวรรค์นุ่น หาได้ค้่องอยู่ในกองสมบัติอ น, นันต์ใหม่นั่นแหละท่านภูมิปัญญานะท่านรู้เท่าเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็ใช้สอยมันทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนยากคนจนบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป นี่ท่านละนั่นท่านใช้จ่ายเงินทองเป็นนอกจากเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนให้มีความสุขตามฐานะแล้วก็ยังเฉลี่ยออกไปบำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแล้วอย่างนี้นี่สมวัดภายนอกนั้นมันก็เป็นปัจจัยให้ ให้ได้สมบัติภายในเคอบุญกุศล ส, สำหรับบุคคลผู้ฉลาดนะผู้รู้จักใช้รู้จักใจมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนะ่ะเขาให้พากันฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่าไปซื้อไปเสนาเดียวอันนี้ก็ของเราอันนี้กับของเรากายกับของเรา เงินทองเข้าของอะไรภายนอกกับของเราอย่างนี้นะมันไม่สมควรไอ้สมมุติที่ว่าการภายนอกนี่อืมก็ว่ากันไปแต่ภายในนั่นนะอย่าให้มันสําคัญว่าเป็นของเราหมายความว่าอย่างนั้นไอ้โวหารที่พูดกันนี่อันนั้นของเราอันนี้ของเราอย่างนี้มันมันเป็นธรรมดาอันนี้นะ่ะ แต่ว่าภายในใจนนหักไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันต้องมีอุบายพริกแพงอย่างนี้อย่าไปกลงไปกลงมาตลอดเลยไม่ได้ต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับหมูนที่นะ่ะไม่อ่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความหลงความเมาในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ก็พ้นทุกคนภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้บางคนก็อยากได้ทรัพสมบัติหลายหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็หาเอาในทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาพวกนี้นะมันล้วนตั้งแต่ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นการกระทำหมู่นี่นะแต่คนเราอาศัยความอยากท่วมทนจิตใจมากจึงยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ยอมไปผู้ผู้ที่เชื่อคำสอนของพระเจ้าวนานรกมีจริงแต่และตัญหามันหนาแน่นมากมันมันบังคับจิต ไม่ให้กลัวต่อนรกเลยนี่แหละโทษของตัณหาโทษของอวิชชาความไม่รู้นะมันทำให้จิตใจนั้นตกต่ำลงไปยอมทุกอย่างเลยจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็าตามยอมไปทั้งนั้นเลยนุ่นบุคคลผู้ไม่ยอมเป็นทาสแห่งตัณหาความอยา ก, กนั้น เพื่อนก็อยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมหาเงินหนาทองทำการทำงานก็นึกถึงศีล น, นึกถึงธรรมเป็นที่ตัง้งถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทำแล้วมันจะเมื่อเราทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบศีลชอบธรรมมันจะได้น้อยก็ตามมันมันจะได้มากก็แล้วแต่ เราจะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามเท่าที่หามาได้โดยทางที่ชอบนั้นตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตันทานหายอย่างว่านี่ก็มันไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์มากมายอะไรเพราะเราอยากอยู่ในขอบเขตจำกัดความอยากเช่นนี้มันจะไม่พาไปสู่นรกอวัยภูมิเลย ไอ้ความอยากที่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิก็ความอยากที่มันมากมายท่วมทน้นจิตใจแล้วมันให้ล่วงศีลล่วงธรรมนั่นสินั่นแหละความอยากประเภทนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิบฉานชาวพูททั้งหลายต้องกําจัดความอยากประเภทนั้นก่อนแต่เป็นภิกษุสา ม, มเณร ก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเรี่ยงชีพอืบไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาบสักการะได้ปัจจัยเครื่องอัยมาใช้สอยให้มากมากนั่นมันก็ผิดศีลแล้วผิดวินัยแล้วดังนั้นจนะึงไม่ควรเลยพอได้มาแล้วเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้อย่างที่ว่ามานั่นเอม อาหารการบริโภคก็มีมันก็มีจำกัดกับกระเพาะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็แล้วไปในมือนั้นน่ะมันก็แล้วไปไม่ใช่ว่ามีอาหารมากว่าจะ ก, กินเอาซจนว่าหมดมีอะไรก็กินหมดได้ไม่มีทางเพราะว่ากระเพาะมันจำกัด มันต้องพี่นาให้ละเอียดแล้วอลงไปเรื่องหมดนี่นะมันถึงไม่ไปทำบาปคนเรานะ่ะมันจึงยับยั้งตัณหาได้ไอคนที่เขาไม่ทำบาปก็มีอายุมีชีวิตอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้กินอาหารดีๆเหมือนกัน พกมีปัญญาเนะี่ยเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไ่หาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปัดสจากโทษในโลกนี้นะมีอยู่ถ้าหากว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะงานอะไรที่มันเป็นไปเพื่อทำลายชีวิตของสัต มันก็ไม่ไม่ทำแล้วงานอย่างนั้นนะแล้วงานอะไรทำไปแล้วมันเป็นความโลภมันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใด้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ทำงานนั่นน ะ, ะมันผู้ฉลาดมันต้องรู้จักเลือกการเลือกงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพวได้อันใดก็เอาไปเลยทำไปเลยอย่างนี้มันก็ แต่ไปเจอการงานที่ประกอบไปด้วยบาปด้วยเวรแล้วก็ไม่มีอะไรชิ้นดีเลยทาไปก็มีแต่สะสมกองทุกข์ใส่ตัวเองละโลกนี้ไปแล้วความทุกข์ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ควรคิดไม่ใช่ว่าตายแล้วมันสูญอย่างคนบางในพวกที่เห็นกันมา ตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้สูญจะสูญไปไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่นั่นนี้เป็นสกีพยานอยู่ต่างแต่ว่าธาตุสี่ขาน่านี่มันไม่ปองรองสัมภคีย์กมันหมดเหตุปัจจัยคือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะเพราะรูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันศูญส่วนจิตใจน่นก็ไม่ศูญ น, นะถ้าหากว่าตายแล้วมันสูนญพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระองค์จะมาสอนคนให้เหนื่อยเปล่าทําไมอ่ะสอนให้ล ะ, ละชั่วทําดีทําไมอ่ะเพราะว่าตายแล้วมันศูญมัน ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปสิให้คิดดูตรงนี้กันแล้วกันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่มีซ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วศูนย์แล้วมนุษยกและศานาก็ศูนย์พันหมดไม่มีอยู่ในโลกนี่หรอกมันจะมีได้ยังไงเราตายแล้วมันศูนย์ไปศูนย์ไปอย่างนี้นะ ไม่ไม่ไม่ต้องมาเกิดอีกอย่างนี้นะมันผิดจากกฎธรรมดาความเห็นอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้คน ม, มันเกิดมากสัตว์ก็เกิดมากอย่างนี้นะทำไมจะไปเห็นว่าตายเราสูญเน่ยมันไมนะ่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีเหตุผลเพียงพอเลย เพราะฉะนั้นอันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งเนี่ยมันยังเป็นความจริงความถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นขอ ง, ของตนเป็นผู้รับผลของกรรมคำว่ารับผลของกรรมก็แสดงว่ามันเกิดอีกอย่างนั้นเลยถ้ามันไม่เกิดแล้วจะไปรับผลของกรรมได้อย่างไรอ่ะอย่างนี้เนี่ยต้องคิดให้มันเห็นด้วยปัญญาแล้ว อย่าไปถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ได้ไปทําบาปหรอกเพราะมันไม่หวงนี่อเสแวงหาทรัพย์สมบัติได้มาเข้าของเงินทองได้มาเท่านั้นเราก็ใช้จ่ายไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทําบาปการเจริญกุศล ค, คุงามความดีมันก็สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าบุคคลเว้นบาปได้แล้วนะ อันบุคคลจะทำบุญกุศลได้สูงขึ้นไปไม่ได้นะ่ะก็เพราะมันคาบาบนี่แหละบาปเนี่ยมันสกัดกั้นไว้ให้คิดให้มันดีถ้าผู้เข้าใจอย่างนี้แล้วการบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้การอรมณ์ปัญญาเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้มันก็มองเห็นอนทางพ้นทุกข์ได้ ดังแสดงมา